ในมงคลลสูสรพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ว่าอาศวนาจบาลานังบันดิตานันจะเซวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังกลมุตตมังคือการไม่ครบคนพานหนึ่งครบบันดิตหนึ่ง บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาหนึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่คือสามข้อแรกสามมนมงคลแรกในมงคลลสูสรเป็นคำสอนที่สำคัญอย่างมากเพราะเป็น จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่ความดีหรือไปสู่ความชั่วอยู่ที่การได้คบคนถ้าคบคนชั่วคบคนพาลคบคนโง่คบคนไม่ดีเขาก็จะดึงเราไปในทางที่ไม่ดี ถ้าคบคนดีคบคนฉลาดเขาก็จะเดึงเราไปทางดีการครบคนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกทุกคนเพราะมนุษย์เราเป็นมนุษย์สังคมคือต้องอยู่ร่วมกัน ต้องพึ่งพาอาศัยกันละกันถึงจะอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข <c oughs> ดังนั้นการอยู่ร่วมกับคนจึงต้องรู้จักเลือกต้องรู้จักรู้ว่าคนพาลเป็นอย่างไรบัณฑิตเป็นอย่างไรบุคคลที่ บุคคลที่พึงแก่การสมควรแก่การเขารบบูชากราบไหว้เป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาคำว่าคนผ่านในความหมายของพระพุทธศาสนาก็คือคนไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้เหตุของความสุข ของความเจริญว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่รู้เหตุของความทุกข์ของความเสื่อมเสียเมื่อไม่รู้ก็มักจะทำไปในทางที่จะนําความเสื่อมเสียมาให้เพราะใจของผู้ที่ไม่รู้เหตุรู้ผล จะมีอวิชชาโมหะครอบงำจิตใจยอยู่ที่จะผลิตความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วก็จะไปทำในสิ่งที่ทำให้เกิดโทษเกิดความเสียหายขึ้นมาคนที่ เป็นคนพาลถ้าจะดูตามาการกระทำก็เป็นคนที่เสษอบายมุกเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนพาลคนไม่ดีเป็นมิตรมีความเกลียดคร้าน นี่คือคุณลักษณะของคนพาลแล้วก็พอพอได้เสพอบายามุขก็จะนำไปสู่การกระทาที่เสื่อมเสียต่อไปคือจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะลักทรัพย์จะประพฤติผิดประเวณีจะพูดปดเสพสุราเออ เสพสรายาเมาก็คืออบายมกุกนี่คือคุณสมบัติของคนพาลถ้าเราคบกับคนพาลคนพาลเขาก็จะดึงเราไปชวนเราไปให้กระทำตามเขาคนที่เดิมสุราก็จะชวนให้ไปเดิมสุราคนที่ชอบเล่นการพนัน ก็จะชวนให้ไปเล่นการพนันคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนก็จะชวนให้ไปเที่ยวกลางคืนคนที่ชอบคนพาลคนไม่ดีเป็นวิตรก็จะชวนให้ไปคบคนไม่ดีเป็นวิตคนที่ชอบความเกลียดคร้านก็จะชวนให้ไปมีความเกลียดคร้าน จะชวนให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดพอมีการกระทำเหล่านี้ก็จะมีผลเสียหายตามมาทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และขณะที่ตายไปแล้วเพราะโทษที่เกิดจากการทำบา นี้มีทั้งโทษในโลกนี้และโทษในโลกหน้าคือถ้าทำบาปแล้วผิดกฎหมายเช่นฆ่าผู้อื่นลักทรัพย์ของผู้อื่นก็จะมีโทษทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมาจับไปลงโทษโทษนี้พอไปใช้โทษหมดแล้ว ก็ยังไม่หมดเพราะยังมีโทษที่ต้องไปใช้ต่อในพบหน้าในโลกหน้าต่อไปคือพอร่างกายนี้ตายไปแล้วใจผู้ที่ไม่ตายผู้ที่กระทำบาปจะต้องไปรับโทษต่อไปในอบายคำว่าอบายมุกก็แปลว่าทางสู่อบายนั่นเอง อบายก็คือที่เกิดที่อยู่ของสัตว์สี่ชนิดคือหนึ่งเดรัจฉานสองเปรตสามอสูรกายสี่สัตว์นรกผู้ที่ทำบาปนี้ก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายสี่ แห่งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุของการกระทาบาปว่าทำด้วยเหตุผลกลไกอันใดถ้าทำบาปโดยไม่รู้ว่าบาปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปเพราะความโลภ ก, ก็จะไปเกิดเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาป เพราะความกลัวก็จะไปเกิดเป็นอสุ ร, รกายถ้าทําบาปเพราะความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นก็จะไปตกนรกไปเป็นสัตว์นรกนี่คือผลที่จะเกิดจากการคบค้าคนพาลเป็นมิตร เขาจะมีพฤตกรรมแบบนี้และเขาจะชวนให้เราไปทำตามที่เขาชอบทำเมื่อทำแล้วก็จะเกิดผลตามมาต่อไปถ้าไม่ครบคนผ่านไม่ครบคนชนัน้นนี้ก็จะไม่มีใครมาชวนให้เราไปทำ บาปทากรรมไปเสพอบายามุกแต่ก็ยังมีคนพาลอีกชนิดหนึ่งที่เราอาจจะไม่รู้กันคือนอกจากคนพาลภายนอกแล้วก็ยังมีคนพาลภายในด้วยคนพาลภายในก็คือที่อยู่ในใจของเหล่านี้คือความชอบเสพอบายามุกนี่เอง ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมาชวนเราแต่ถ้าเรามีคนพานภายในคนพานภายในก็จะชวนเราไปเสพอบายามุกได้ถ้าเรายังมีความชอบเสพสุรายาเมาชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืนชอบคบคนไม่ดีเป็นมิตรชอบความเกียดครางชอบทำบาป ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีกกหกหลอกลวงก็แสดงว่าเราก็ยังมีคนพาณอยู่ภายในใจและคนพาณภายในใจนี้จะอันตรายมากกว่าคนพาณภายนอกเพราะคนพาณภายนอกนี้เราไม่ได้เจอเขาตลอดเวลาเหมือนกับคนพาณภายใน คนพาณภายในนี้อยู่กับเราตลอดเวลาพอคิดอยากจะเสพสรายาเมาก็จะดึงเราไปเสพทันทีพอคิดอยากจะไปเล่นการพนันก็จะชวนเราพาเราไปทันทีดังนั้นเราต้องระมัดระวังไม่ให้เราไปอยู่ใกล้กับคนพาณทั้งภาย น, นอกและทั้งภายใน ค น, นภายนนอก็อย่าไปเข้าหาเขาถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคบค้าสมาคมก็อย่าไปคบค้าสมาคมด้วยถ้ายังมีความจำเป็นต้องคบค้าสมาคมเพราะเป็นเรื่องของภารกิจการงานหรือเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของการที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกัน ก็ต้องระมัดระวังให้ทำแต่กิจกรรมที่ไม่เสียหายถ้าเขาชวนให้เราไปทำกิจกรรมที่เสียหายคือไปเสพอบายมุกไปทำบาปทำกรรมเราก็ต้องไม่ทำตามที่เขาชวนถ้าเราต้องเสียเขาไปก็อย่าไปเสียไดย้ พะเสียมิตรแบบนี้เสียเพื่อนแบบนี้ดีกว่าเสียตัวเสียมิตรนี้ไม่มีความเสียหายอะไรตามมาไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าเสียตัวคือทำตามที่เขาชวนเขาชวนไปเสพสรายาเมาเสพอบายามุกต่างๆ ชวนเราไปทำบาปทำกรรมเราไปทำตามเขาเราจะเสียตัวเราจะกลายเป็นคนไม่ดีไปและเราจะไม่ได้เป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่ใจของเรานี้อาจจะไปเป็นเดรัจฉานแล้วก็ได้หรือเป็นเป็ดแล้วก็ได้ เป็นอสูรกายหรือเป็นสัตวนรกแล้วก็ได้เพราะการเป็นนี้ขึ้นอยู่ที่การกระทำของเราไม่ได้อยู่ที่สรีระร่างกายสลีระร่างกายนี้เป็นผลของการกระทำในอดีตเราได้ร่างกายนี้มาเพราะเราได้หลุดออกจากบาปแล้วถ้าเคยทำบาปทากรรม เราก็ไปใช้บาปใช้กรรมแล้วเราถึงได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่การที่จะรักษาสถานภาพของความเป็นมนุษย์ไว้ต่อไปเราต้องรักษาสี่ห้าให้ได้ต้องไม่ทำบาปด้วยเหตุผลกลนใดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถ้าทำบาปเพราะความไม่รู้เราก็ควรที่จะเข้าหาผู้รู้ให้เขาสอนให้เราให้รู้ว่า การกระทำบาปนี้เป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรเพราะถ้าเราทำบาปไปโดยที่เราไม่รู้เราอาจจะคิดว่าไม่บาปเช่นบางคนคิดว่าอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้ไม่บาปเพราะเป็นความจาเป็นต้องเลี้ยงชีพอันนี้ก็เป็นความไม่รู้ของกฎแห่งกรรม ไม่รู้ของผลของการทําบาปว่ามีผลตามมาก็จะคิดเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานนี้เองสัตว์เดรัจฉานเขาก็ไม่รู้ว่าการฆ่ากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อการยังชีพนี้เป็นบาปเขาก็ทําไปกินไปเขาก็เลยเป็นเดรัจฉานกันมนุษย์ท ถ้าคิดแบบนี้ก็จะเป็นเดรัจฉานไม่ได้เป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์จะต้องรู้ว่าการทำบาปไม่ว่าข้อใดก็ตามไม่ว่าด้วยเหตุผลคนใดใดก็ตามนี้มีผลตามมาถ้ารู้แล้วก็จะได้ไม่ทำบาปก็จะได้ปอดจากการไปเป็นเดรัจฉาน ถ้ารู้ว่าการทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะปลอดจากการไปเกิดเป็นเปิดได้เพราะจะไม่ทำบาปเวลามีความโลภเวลาโลภอยากได้อะไรจะหามาด้วยวิธีที่ไม่กระทำบาปเช่นอยากได้เงินทองก็ไปทามาหากินอาชีพที่สุดเจริ ได้เงินทางมามากน้อยเพียงไรก็จะไม่ต้องไปใช้กรรมด้วยการไปเป็นเปรตหรือทำบาปด้วยความกลัวสายกลัวอะไรก็ตามกลัวอดอยากขาดแคลนกลัวยากจนกลัวตกทุกข์ได้ยากกลัวเจ็บไข้ได้ป่วย ก, กลัวตาย พอเกิดความกลัวต่างๆขึ้นมาก็ไปทําบาปถ้าทำแล้วก็จะต้องไปเกิดเป็นอสุรกายหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้ารู้ว่าการทําบาปด้วยเหตุผลคือความกลัวเราไม่ทําเราก็ไม่ต้องไปเป็นอสุรกาย เราก็ยังรักษาสถานภาพของการเป็นมนุษย์ไว้ได้เวลาตายไปใจก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นอสูรกายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันทีหรือถ้าได้ทําบุญก็ได้ไปสวรรค์ก่อนแล้วพอบุญที่ได้ทํานั้นหมดไปก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เช่นเดียวกับการทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้นเวลาเกิดความโกรธนี้บางครั้งก็ทําให้เรานี้คิดอยากจะฆ่าผู้อื่นได้เพราะความเครียดแค้นที่มีอยู่ภายในใจถ้ารู้ว่าถ้ากระทําแบบนี้ตายไปนี้จะต้องไปตกนรกก็จะไม่กล้าทำ ก็จะยับยั้งความโกรธความเครียดแค้นฆาคาพยาบาทด้วยการจเจริญเมตตาภาวนาให้อภัยยอมนอมทนอยู่กับความทุกข์ใจซึ่งไม่นานมันก็จะจางหายไปดีกว่าที่จะไปทำบาปด้วยความเครียดแค้น แล้วก็ต้องไปใช้บาปกรรมต่อไปในอนาคตหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าไม่ได้ทำบาปดังงับความเครียดแค้นด้วยการเจริญเมตตาภาวนาให้อภัยไม่ถือโทษก่อยเคืองคิดสียว่ามันก็ผ่านไปแล้วเหตุการณ์หรือสิ่งที่ เขาทํากับเรามันก็ผ่านไปแล้วเอากลับมาไม่ได้อยู่ดีเขาด่าเรามันก็ด่าไปแล้วเขาทุบตีเรามันก็ทุบตีไปแล้วการที่จะไปด่าเขาไปทุบตีเขานี้มันจะไม่ได้ทําให้ทุกอย่างยุติลงมันกลับจะทําให้เกิดการจองเวรจองกรรมกันขึ้นมาและในที่สุดก็จะ นำพาไปสู่การฆ่ากันแล้วเกิดกันกี่ภพกี่ชาติก็จะเป็นศัตรูต่อกันเสมออย่างพระพุทธเจ้าและพระเทวทัตมีการเกิดมาในแต่ละภพแต่ละชาตินี้จะมีการจองเวรจองกรรมกันมาตลอดในชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบโต้เวลาที่เทวทัตจะพยายามปองพชนของพระพุทธเจ้าส่งใช้ปัญญาส่งใช้ความเมตตาส่งใช้อุเบกขาในกา ร, ารเผชิญกับ วิบากกรรมของพระองค์ที่เกิดจากการกระทำของเทวทัตไม่ตอบโต้พระไตยของพระองค์อยู่เนืออาบายอยู่แล้วการกระทำที่การที่จะให้พระองค์ไปกระทำบาปนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นี่คือเรื่องของการคบคนพาลคบคนง่ คนที่ไม่รู้เหตุรู้ผลของความสุขของความทุกข์ของภพชาติต่างๆที่จะเกิดตามมาคนที่เป็นคนพันมีความมืดบอดไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็มีจิตใจที่ฝ่ายต่ำเพราะความมืดบอดนี้จะคิดไปในทางต่ำคิดในทาง ที่จะทำอะไรเพื่อให้ได้ความสุขง่ายๆและเร็วๆซึ่งวิธีที่จะง่ายและเร็วก็คือการเสพอบายมุขกับการทำบาบนี่เองดังนั้นนี่ไม่ใช่เป็นวิธีของบัณฑิตของคนฉลาดบัณฑิตคนฉลาดนี้ก็คือคนที่รู้เหตุรู้ผลของความสุข และความทุกข์ว่าเกิดจากการกระทําของตนเองถ้าคิดดีพูดดีทดําดีก็จะมีผลดีตามมาถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีก็จะมีผลไม่ดีตามมาเช่นถ้าคิดไปในทางเสพอบายมุขในทางทําบาปก็จะทําให้ มีผลที่ไม่ดีตามมาทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วบัณฑิตคนที่รู้เหตุรู้ผลที่ที่ฉลาดและรู้ได้เต็มครบถ้วนบริบูรณ์ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเอง ลองจากพระพุทธเจ้าก็คือพระอหรหันตสาวกและพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงถือว่าเป็นบัณฑิตที่สูงสุดเป็นบัณฑิตที่สัตว์โลกควรจะเข้าหาเข้าคบค้าสมาคมด้วยเพราะจะได้รับประโยชน์จากการได้คบบัณฑิต นี่เองจะได้ถูกบัณฑิตชวนไปในทางที่ดีจะได้มีบัณฑิตคอยสอนคอยบอกว่าการกระทำที่ดีนั้นทำอย่างไรและการกระทำที่ไม่ดีนั้นทำอย่างไรจะได้ทำสิ่งที่ดีและละการกระทำที่ไม่ดี การได้มาเป็นพุทธศาสนิกชนการได้มีพระพุทธพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็คือการได้คบบัณฑิตนี่ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะได้จากพวกเราไปแล้วแต่ยังมีตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าจะเป็นศาสดาแทนพระองค์แทนพระองค์ต่อไปสองพระอาหารหันตสาวกหรือพระอริยสงสาวกทั้งหลายก็เป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่ทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้ตามลําดับของความรู้ความสามารถของพระอริยบุคคลแต่ละขั้นผู้ที่จะ สามารถทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่ก็คือพระอาหารหันตสาวกส่วนพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีก็จะทําไปได้ตามสัสดส่วนของความรู้ความสามารถของแต่ละท่านที่มีมากน้อยต่างกันไปพระอาหารหันตสาวกนี้ มีความรู้ความสามารถร้อยเปอร์เซน์เท่ากับพระพุทธเจ้าพระอนาคา ม, มีก็ลดน้อยลงมาหน่อยพระสกิดาคา ม, มีก็น้อยลงมาอีกหน่อยพระโสดาบันก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถน้อยที่สุดในบรรดาพระอริยบุคคลทั้งสี่ระดับนี้แต่ก็พอที่จะปกป้อง หรือดึงให้เราให้พ้นจากอบายได้พระอริยบุคคลทุกทุกองตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจะไม่มีการกระทำบาปโดยเด็ดขาดจะไม่มีการเสพอบายามุขโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะต้องเสียชีวิตไปก็ยินดีที่จะเสียจะรักษาศีลยย่งมกว่าชีวิตผู้ที่รักษาศีลได้ ยิ่งกว่าชีวิตนี้จะไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายจะไม่ทำกรรมไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดก็ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นได้ ว, ว่าการทาบาปนี้เป็นเหตุที่จะทำให้ไปเกิดในอบายนั่นเองและเมื่อไม่ทำบาปก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบาย นี่คือเรื่องของบัณฑิตที่เราควรที่จะเข้าหาการที่เราได้เข้ามาฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เหมือนกับได้เข้าหาพระพุทธเจ้าเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วถ้าเรานำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเราก็จะได้ บรรลุธรรมขั้นต่างๆขึ้นมาเห็นธรรมขั้นต่างๆขึ้นมาการเห็นธรรมก็เท่ากับได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วการบรรลุธรรมเห็นธรรมก็คือการได้เป็นพระอริยสงสาวกขั้นต่างๆนั่นเองถ้าเราได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมและได้ปฏิบัติจนบรรลุธรรมเราก็จะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็น เป็นมิตรเป็นผู้เป็นเป็นสหายอยู่กับเราไปตลอดนี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสถิตยอยู่ในใจของพวกเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ข้างนอกใจนี้ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงยังไม่สามารถป้องกันให้เราไม่ไปเกิดในอบายได้ ยังไม่สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของเราได้พระพุทธเจ้าก็ทรงยุติการเวียนว่ายตายเกิดของพระพุทธเจ้าพระอาลันตสาวกท่านก็ยุติการเวียนว่ายตายเกิดของท่านพวกเราถ้ายังไม่ได้นำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มาสถิตอยู่ภายในใจ เราก็ยังจะไม่สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกนี้ก็เป็นเหมือนกับยารักษาโรคยารักษาโรคที่จะวิเศษขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ได้เอาเข้ามาในร่างกายของเราเช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอ หมอก็ให้ยามารับประทานแต่เราแทนที่จะรับประทานยาลองกลับไม่รับประทานยายาก็ไม่เข้ามาในร่างกายยาก็ไม่สามารถทำหน้าที่ของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้ฉันใดสาระคือที่พึ่งทางใจของพวกเราที่เป็นเหมือนยารักษาโรคใจ คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่เช่นพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้จากพระพุทธประวัติว่าเป็นบุคคลชนิดใดอย่างไรพระธรรมคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังจากการฟังเทศฟังธรรมจากการอ่านหนังสือตำหนบตำราต่างๆและพระอริยสงฆ์สาวกที่เราได้ไปกราบไหว้ ได้ไปสนทนาธรรมได้ไปฟังเทศฟังธรรมจากท่านยังไม่ได้เข้ามาสู่ภายในใจของเรายังเป็นเหมือนยาที่อยู่ภายนอกของร่างกายถ้าเราอยากจะให้พระพุทธพระ ร, รมพระสงค์เข้ามาสู่ภายในใจของเราเพื่อมาเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราเราต้องน้อมเข้ามาด้วยการศึกษาและด้วยการปฏิบัติ นี่คือการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาที่สุดก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเป็นบุคคลเดียวเท่านั้นที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายได้ไม่มีบุคคลใดในโลกนี้ที่จะสามารถทำได้ นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแล้ถ้าเราอยากจะบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านนี้ท่านก็สอนให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาทดแทนบุญคุณของท่านที่อุตส่าห์สั่งสอนนำพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เข้าสู่ความสุขที่ถาวรไม่ต้องไปเกิดในอบาย ไม่ต้องกลับมาเวียน่ายตายเกิดอีกต่อไปพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ใหญ่ยิ่งมากและวิธีที่จะทดแทนพระคุณนี้ก็ทดแทนด้วยการปฏิบัติบูบชาเป็นการบูชาที่สูงสุดนี่แหละเป็นเรื่องของการสร้างความเป็นสิริมงคล ให้แก่ชีวิตของพวกเราต้องสร้างด้วยการไม่คบคนผานหนึ่งคบบัณฑิตหนึ่งและบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาหนึ่งการบูชาก็ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาก่อนที่จะปฏิบัติบูชาได้ก็ต้องศึกษาวิธีของการปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนหรือต้องศึกษาว่า สุปฏิปันโนเป็นอย่างไรญาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนเป็นอย่างไรจะรู้ได้ก็ต้องฟังเทศฟังธรรมศึกษาตำหรับตาราต่างๆแล้วเมื่อรู้แล้วว่าวิธีการบูชาที่ถูกต้องนี้บูชาอย่างไรปฏิบัติอย่างไรขั้นตอนต่อไปก็ต้องเอาไปปฏิบัติ คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คำสอนของพระอาลันตส า, าคกทุกๆพระองค์ี้สอนเหมือนกันหมดมีสามหัวข้อใหญ่ๆด้วยกันคือหนึ่งละการกระทำบาปทั้งปวงสองยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และรวมไปถึงพระอ า, ารานตะสาวกทุกๆลูกจะสอนอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าเราได้ปฏิบัติบูบบชาเราได้สร้างมงคลอันวิเศษให้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราเพราะการปฏิบัติบูบชานี้จะนำให้เกิดผลต่างๆที่ เราเพิ่งจะได้กันก็คือมัคสีพ้นสีนิพพานหนึ่งการได้หลุดพ้นจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพากจากกัน ทุกเหล่านี้จะไม่มีภายในใจของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของผู้ที่ได้บรรลุมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี่คือเรื่องของการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตต้องเสริมจากการปฏิบัตินี้เอง ไม่ได้เสริมจากการอธิษฐานขออะไรต่างๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นจากพระพุทธรูปการขอนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความเป็นเสีริมงคลขึ้นมาการศึกษาและการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นเหตุที่จะทำให้เกิด ความเป็นเสริฐมงคลให้แก่ชีวิตคือให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดนั่นเองจำเป็นจะต้องเกิดจากการละการกระทำบาปบาปก็คือห้าข้อนี้คือการไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายามาและอบายามุขต่างๆ เพราะถ้าได้เสพอาบายามุกแล้ว เ, เดี๋ยวก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้ไปทำบาปต่อไปเพราะอาบายามุกนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดารายได้ขึ้นมาแต่เป็นเหตุที่จะทำให้สูญเสียทรัพรยากรทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปเวลาไม่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองจะต้องไปหา ด้วยวิธีสุดจริตก็หาไม่เป็นก็จะต้องหาด้วยวิธีทุจริตไปทำบาปทำกรรมเมื่อทำบาปแล้วก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายถ้าละการกระทำบาปทั้งปวงได้ก็จะปลอดภัยจากการที่จะต้องไปรับโทษไม่ต้องไปทุกข์กับการเกิดในสถานภาพที่ไม่น่าเป็นกัน ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นอสูรกายถ้าเราละการกระทำบาปทั้งปวงได้ส่วนการกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมก็คือการทำความดีต่างๆนั่นเองการทำความดีคืออย่างไรก็คือการทําความสุขให้แก่ผู้อื่นทําประโยชน์ ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นนั่นเองการทำให้ผู้อื่นมีความสุขก็จะทำให้เรามีความสุขใจขึ้นมาเพราะนี่คือกฎแห่งกรรมเวลาใจเราทำอะไรดีใจเราจะมีความสุขเวลาใจเราทำอะไรไม่ดีใจเราจะมีความทุกข์ถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องมาทำความดีกัน เช่นการทำทานการแบ่งปันการช่วยเหลือกันละกันตามความสามารถตามกำลังที่จะทำได้ทำแล้วจะทำให้ใจเรามีความสุขมีความเมตตากรุณาเราจะทำให้เราสามารถที่จะทาการ ภาวนาได้ทำการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เพราะเวลาเรามีความสุขเราก็จะไม่ต้องไปหาความสุขจากการเสพสุรายามาจากอบายามุขต่างๆเราก็จะได้มีเวลามาชำระใจของเราให้สะอาด เพราะการทำความดีอย่างเดียวนี้ยังไม่สามารถที่จะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ mm. เพียงแต่ทำให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายหลังจากที่เราตายไปแล้วแต่จะพาให้เราได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราทำบาปละการกระทำบาปได้ยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมได้ เราก็จะเวียนไหวาตายเกิดในสุขติตายจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาไปเกิดอยู่บนสวรรค์กลับมาจากสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาละบาปใหม่มาทํากุศลใหม่ถ้าทําอย่างนี้ไปก็จะมีการเวียนไหวาตายเกิดในสุขติในภพของเทวดาและภพของมนุษย์จะไม่ต้องไปเวียนไหวาตายเกิดในภพ ของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของสับนรกแต่ยังต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าเบื่อกับการเวียนว่ายตายเกิดถึงแม้ว่าจะเกิดในสุขติก็ตามก็ต้องมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะสิ่งที่ทำให้ใจเราเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็คือกิเลสตัณหานี่เอง ที่ท่านแสดงว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองทำให้ใจไม่สะอาดบริสุทธิ์ถ้าต้องการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ต้องชำระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงคือกิเลสตัณหาก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหาก็คือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะ ภวตัณหาก็ Studio คือความอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้วิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ใจก็จะถูกความอยากความโลภนี้ดึงไปให้ไปเกิดใหม่ เวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วยังมีความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะอยู่ก็ไปเสบในโลกทิพย์ก่อนเมื่อหมดจากโลกทิพย์ก็มาเกิดได้ร่างกายใหม่ก็มาเสบหมเสบรูปเสียงกลิ่นรสใหม่ถ้าได้ร่างกายเพราะทำบาปเช่นได้ร่างกายของเดลฉานก็ต้องเสบรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบของเดลฉานไป ถ้าได้ร่างกายของมนุษย์ก็ได้เสพรูปเสียงกินลดในรูปแบบของมนุษย์ไปแต่ยังจะมีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีความโลภความอยากภายในใจอยู่ถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็จาเป็นที่จะต้องมากำจัดความโลภความอยากให้หมดไปจากใจ สิ่งที่จะมาชำระใจชำระความโลกความอยากให้หมดไปได้ก็ค <c oughs> ือการอำเพ็ญจิตตภาวนาจิตตภาวนานี้ก็เปรียบเหมือนกับผงซักฟอกที่จะมาซักฟอกเสื้อผ้าที่สะอาดเอาคราบสกปรกต่างๆที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าให้หลุดออกไปให้หมดการซักฟอกจิตใจนี้ไม่ได้ทำให้จิตใจสูญหายไป อย่างบางคนคิดว่านิบานังปรมังสุญญ์อย่างก็คิดว่าเมื่อทําการซักพอกจิตใจด้วยการบําเพ็ญจิตกับภาวนาจนจิตได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วจิตก็จะอันตรธานหายไปเลยเพราะนิบานังปรมังสุญญ์นั่นเองอันนี้เป็นความเข้าใจผิดการชําระจิตก็เหมือนกับการซักเสื้อผ้า การซักเสื้อผ้าด้วยผงซักฟอกด้วยน้ำนี้ไม่ได้ชาระไม่ได้ทำให้เสื้อผ้าหายไปเช่นเอาเสื้อผ้าใส่ไปในเครื่องซักผ้าใส่ผงซักฟอกใส่น้ำเข้าไปากดปุ่มให้เครื่องทำงานพอเครื่องทำงานเสร็จเปิดออกม า, เ, าเสื้อผ้าหายไปหมดเลยเลย เ, เสื้อผ้าก็ยังอยู่มีอยู่ในในในตู้ เครื่องซักผ้า น, นั่นแหละสิ่งที่หายไปก็คือคราบสกปรกต่างๆอันใดการบำเพ็ญ จ, จิตบำเพ็ญจิตตะภาวนาจนได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วได้ชำระความโลภความโกรธ ค, ความหลงหมดไปแล้วจิตย่อมไม่ได้หายไปไหนจิตไม่ได้สูญสิ่งที่สูญก็คือกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆนั่นเองความโลภความอยากต่างๆนี้จะหมดไป ถ้าบําเพ็ญจิตตภาวนาอย่างต่อเนื่องอย่างเข้มข้นไม่มีวันหยุดไม่มีวันหย่อนยกเว้นเวลาที่นอนหลับหรือเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นแม้ขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยความจริงก็บําเพ็ญได้เพราะการบําเพ็ญจิตตะภาวนาอย่ามันก็บอกอยู่แล้วว่าจิตตะภาวนาภาวนาที่จิตไม่ได้ภาวนาที่กาย ไม่ได้เรียกว่ากายภาวนาเรียกว่าจิตตภาวนาเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จเจริญสมถาวิปัสสนาภาวนาได้ใช้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นข้อสอบหรือเป็นข้อทดสอบจิตใจได้ว่ายังทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอยู่หรือเปล่า ถ้าไม่ทุกก็รู้ว่าสอบผ่านแล้วสบายแล้วร่างกายจะหายหรือไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาร่างกายจะตายหรือไม่ตายก็ไม่เป็นปัญหาเพราะมีวิปัสสนาเห็นแล้วด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราของเรารูปังอนัตตารูปังอนิจจ์รูปังทุกขังถ้าทุกข์กับร่างกายก็เพราะ ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเวลาร่างกายแก่เจ็บตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เองพอรู้แล้วก็หยุดความอยากนี้ได้ยอมรับความจริงว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความทุกข์ใจก็จะหายไปนี่คือการบำเพ็ญ จ, จิตตภาวนา บนเพ็ญเพื่อละความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจจะไม่ทุกข์กับอะไรท่านถึงเรียกว่าเป็นปรมังศสนญยางปราศจากความทุกข์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่เองแต่ไม่ได้หมายความว่าจิตได้อันตรธานหายไปหายสาบสูญไปเลย ถ้าจิตหายสาบสูญไปเรามาปฏิบัติกันให้เหนื่อยทำไมถ้าเราเอาเสื้อผ้าเข้าไปซักในเครื่องซักผ้าแล้วมันหายไปหมดเราจะเอาไปซักมันทำไมเราซักด้วยมือไม่ดีกว่าหรืออย่างน้อยมันก็ยังจะอยู่กับเราดัางนั้นคนที่คิดว่าการปฏิบัติการบำเพ็ญจิตตภาวนาพอบรรลุถึงพระนิพพานแล้วจะสูญหายไป คนนั้นก็เป็นคนไล้เหตุไล่ผลเป็นคนโง่เขาเบาปัญญาคิดไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนแล้วพระพุทธเจ้าหายไปไหนตอนที่ท่านบรรลุพระนิพพานในวันเพ็ญเดือนหกในขณะที่ยังมีร่างกายของท่านอยู่สิ่งที่จะหายก็คือร่างกายคือจะไม่มีร่างกายต่อไปแล้วหลังจากร่างกายนี้หมดไปอันนี้จะหายแน่ คือจะไม่กลับมาเกิดใหม่อีกแล้วแต่จิตผู้ที่มาเกิดไม่ได้ตายไม่ได้หายไปไหนจิตก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เดิมอยู่ในโลกทิพย์เหมือนกับจิตของพวกเราจิตของพวกเราก็อยู่ในโลกทิพย์ส่วนร่างกายของพวกเรานี้อยู่ในโลกกธาตุมีการเชื่อมต่อกันด้วยการส่งกระแสะจิตเข้ามาครอบครองร่างกายตัวจิตเองนี้อยู่ในโลกทิพย์ ไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้ตัวจิตส่งกระแสเข้ามารับรู้ข้อมูลต่างๆที่ร่างกายส่งไปให้กับจิตเช่นภาพที่ตามองเห็นเสียงที่หูได้ยินนี้ก็ส่งไปให้จิตที่อยู่ในโลกทิพนี้รับรู้แล้วจิตก็เสบรูปเสียงนั้นเกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นมากับรูปกับเสียงนั้นเท่านั้นเอง เวลาที่ไม่มีร่างกายจิตก็ไม่สามารถที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสที่มีอยู่ในโลกกระทานี้ได้แต่จิตก็ยังสามารถเสบรูปเสียงกลิ่นรสที่มีอยู่ในโลกทิพย์ได้ต่อไปเช่นเวลาที่เรานอนหลับนี้จิตกับร่างกายก็จะแยกอยู่เป็นคนละส่วนร่างกายจะพักผ่อนหลับนอนเหมือนกับคนตายจะไม่รับข้อมูลต่างๆส่งไปให้จิต จะไม่มีรูปส่งไปไม่มีเสียงส่งไปจิตก็ยังสามารถเสพรูปเสียงในสภาพของความฝันได้เวลาที่เรานอนหลับแล้วเราฝันตอนนั้นเราอยู่ในโลกทิพย์กันฝันถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเป็นเรื่องดีก็เรียกว่าเป็นสวรรค์ถ้าฝันถึงเรื่องร้ายก็เรียกว่านรกเรื่องเรียกว่าอบาย แล้วสาเหตุของการฝันดีฝันร้ายนี้ก็เกิดจากบุญบาปที่เราทํากันในขณะที่เราตื่นนี่เองเวลาเราตื่นเราทําความดีเราก็เหมือนกับถ่ายวีดีโอไว้เก็บไว้ในใจของเราเวลาเราทําบาปเราก็ถ่ายวีดีโอเก็บไว้ในใจของเราพอเวลาร่างกายพักผ่อนหลับนอนใจไม่ได้พักด้วย ใจก็เอาวิดีโอที่ไปฉายนี่มามาเล่นใหม่มาผสมปรุงแต่งใหม่ทำให้เกิดความฝันดีฝันร้ายให้เราได้เสพตอนที่เรานอนหลับกันนี่คือเรื่องของจิตและของร่างกายที่มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันร่างกายนี้อยู่ได้ชั่วคราว อายุแปดสิบเก้าก็จะหมดสภาพไปแต่จิตนี้ยังไม่หมดจิตจะมีร่างกายใหม่หรือไม่มีร่างกายใหม่ก็อยู่ที่จิตบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ถ้าจิตยังมีความอยากอยู่จิตก็ยังจะกลับมามีร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องกลับมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ต้องมีร่างกาย จิตก็จะอยู่ในโลกทิ่จิตที่ทำแต่ความดีก็จะมีแต่วิดีโอดีๆให้ดูมีแต่เรื่องราวที่ดูแล้วมีแต่ความสุขความสบายใจนี่คือจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพาาระอรหันต์ท่านได้สะสมวิดีโอหนังดีๆหนังที่ดูแล้วมีแต่ความสุขให้ดูตลอดยีบสี่ชั่วโมงไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่มีค่าเช่าไม่มีค่าใช้ใจ่าย นี่คือจิตของผู้ที่ได้บรรลุพานิพานแล้วไม่ได้สูญหายไปไหนสิ่งที่สูญหายไปก็คื อ, อกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆนี้เท่านั้นตัวที่มาทําให้จิตต้องมาเวียนว่ายตายเกิดตัวที่ทําให้จิตต้องทุกข์ต้องวุ่นวายใบกายเพศการณ์ต่างๆตัวพวกนี้ไม่มีแล้วหลังจากที่ได้รับการชําระด้วยการบาเพ็ญจิตตภาวนา ดังนั้นพวกเราอย่าไปกังวลว่าภาวนาไปแล้วพอถึงพระนิพพานแล้วเราจะสูญหายไปเลยจิตนี้ไม่มีวันสูญหายสิ่งที่จะสูญหายก็คือร่างกายที่จะไม่มีร่างกายใหม่มาเกิดอีกต่อไปไม่มีร่างกายใหม่ก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาไม่มีความทุกข์ตามมานี่คือเรื่องของการ กระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในมงคลละสูตรสามประการด้วยกันคือหนึ่งการไม่คบคนพาลเป็นมิตรสองคบบัณฑิตเป็นมิตรสามบูชาบุคคลที่สงควรแก่การบูชาจะได้มงคลที่สูงสุดก็คือได้บรรุถึงพระนิพพานดังนั้นขอให้พวกเรา พยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพยายามศึกษาให้มากเพราะคำสอนของพุทธเจ้านี้มีหลากหลายมีรายละเอียดมากที่ได้ยินได้ฟังในแต่ละครั้งนี้เป็นเพียงเสี่ยวหนึ่งของคำสอนที่เราควรจะศึกษาควรจะรู้เท่านั้นต้องพยายามศึกษาต้องฟังบ่อยๆแล้วการปฏิบัติของเราจะได้ไม่ผิดพลาดจะไม่หลงทางจะไม่สงสัย ถ้าสงสัยก็ควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมต่อไปหรือเข้าหาผู้รู้เข้าไปปรึกษาเข้าไปเล่าความเป็นมาความเป็นไปของจิตของการปฏิบัติของเราว่าถูกทางหรือไม่ควรจะแก้ไขยอย่างไรเพื่อจะได้ไม่หลงทางจะได้ไม่เสียเวลาเพราะเวลาของเรานี้มีน้อยลงไปเรื่อยๆมันไม่มีเพิ่มมากขึ้นไม่เหมือนกับเวลา ของโทรศัพท์มือถือเราซื้อเวลาได้เวลามันหมดเราก็เติมเงินได้แต่ชีวิตของเรานี้เติมไม่ได้ต่ออายุไม่ได้มันมีแต่จะน้อยลงไปน้อยลงไปการที่การคิดว่าไปสืบสตาร์ได้นี้เป็นความเข้าใจผิดถ้าสืบได้ก็อยู่กันไปเป็นหมื่นปีพันแสนปีไม่ต้องตายพะมันจะหมดก็ไปสือบอายุต่อเหมือนกับการไปเติมอายุของ เบอร์มือถือพอใกล้วันหมดอายุก็เติมเงินใหม่เขาก็ต่ออายุให้แต่ร่างกายของเรามันไม่ยอมต่อให้มันมีแต่จะบอกว่าเตรียมตัวนะนับถอยหลังได้แล้วนะมันจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆดังนั้นอย่าประมาทนอนใจให้รีบขวนขวายศึกษาและปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนที่เวลามันจะหมดไป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 สัพเพปเรนตุสังกาปาจันโทปนะระโสยทามณิโชติอระโสยทาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายโยสขุขีทีคาโยโกภวะอภิวาธนสิลิสะนิจจังวุฒาปะจายินโน จตาโรโหธรร ม, มวทานติอายุวนโนสุขังภาลางัองอต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้มีความข้องใจสงสัยในธรรมะแง่ใดมุมใดอยากจะต้องการความกระจ่าง ก็สามารถถามได้โดยขอให้ขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนเพราะจะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ถามให้ผู้ที่ถามมาทางบ้านผ่านทาง facebook ทางอินเทอร์เน็ตได้ถามไปคำถามจาก facebook ค่ะคำถามแรกจากคุณวิทย์วิเศษ ขออนุญาตสอบถามบทความเรื่องลมหายใจครับผมไม่แน่ใจว่ากล่าวไว้สลับกันไหมระหว่างอุปจารสมาธิกับอั ป, ปนาสมาธิที่ผมเคยได้รู้มาอุปจารสมาธิสมาธิขั้นที่สองเหมาะสำหรับการเจริญวิปัสสนาจิตมีกาลังตั้งมั่นส่วนอั ป, ปนาสมาธินั้นเป็นสมาธิระดับสูงสุดลึก สูงขึ้นไปเป็นชานสมาบัติซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำท่านให้ใช้กำลังของอุปจาระนี่แหละพิจารณาธรรมที่ท่านสอนสั่งเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าใจถูกไหมครับยังไม่ถูกตามที่ได้ยินได้ฟังในทางสายปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านจะอธิบายว่า อัปปนาสมาธิคือสมาธิที่พักของจิตจิตรวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่เพื่อจะได้พักเวลาพักนี้จะเป็นการตัดกำลังของข้าศึกศัตรูคือตันหาความอยากต่างๆให้อ่อนลงและเวลาที่ออกจากอัปปนาสมาธิมากิเลสตัญหาที่ถูกตัดกำลังนั้นยังไม่มี กำลังมากพอก็จะเป็นเวลาที่เหมาะต่อการเจริญวิปัสนาพิจารณาธรรมในแ ง, ง่ต่างๆดังั้นการที่จะเจริญวิปัสนาหรือเจริญปัญญานี้ไม่ได้อยู่ในสมาธิเลยแต่เกาไม่ได้หมายความว่าไม่มีสมาธิจิตของผู้ที่ได้อัปปนาแล้วกับผู้ที่ไม่มีอัปปนานี้ต่างกันเหมือนกับคนที่รับประทานอาหารพักผ่อนหลับนอนแล้ว กับคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารพักผ่อนหลับนอนคนที่ไม่ได้รับประทานพระอาหารพักผ่อนหลับนอนนี้ถ้าจะเอาไปทางานทำการก็จะทำไม่ได้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงคนที่ไม่มีอัปปนาสมาธิไม่ได้ออกจากอัปปนาสมาธิมาจะไม่มีเรี่ยวมีแรงพอที่จะไปเจริญวิปัสสนาไปพิจารณาตใตรักไปพิจารณาอสุภะได้ นี่คือเรื่องของอัปปนาสมาธิกับการเจริญวิปัสสนาภาวนาจำเป็นต้องมีอัปปนาสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะอัปปนาสมาธิเหมือนกับเป็นที่พักผ่อนหลับนอนเป็นที่รับประธานอาหารของใจพอได้พักผ่อนหลับนอนออกมาแล้วก็จะมีกาลังที่จะทำงานวิปัสสนา คนที่ไม่มีอัปปนาสมาธินี้ไม่สามารถพิจารณาปัญญาได้อย่างต่อเนื่องพิจารณาได้แวบเดียวก็หมดกำลังแล้วให้พิจารณาความตายนี้พิจารณาได้เดี๋ยวเดียวก็ไม่ไม่อยากจะพิจารณาแล้วส่วนหนึ่งก็ร่ากิเลสมีกำลังต้านเยอะกิเลสจะไม่ยอมให้เราพิจารณาตายลักแต่ไม่ยอมให้เราพิจารณาสุภจะชอบให้เราพิจารณาสุภให้เราคิดแต่ของสวยๆงามๆ ให้เราคิดถึงการจเจริญรุ่งเรืองจะอยู่ไปร้อยปีพันปีกันทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าอยู่ไม่ได้ในเวล า, าพระบอกขอให้อยู่ได้ร้อยปีพันปีนี่ก็สาธุกันนั่นแหละคือกิเลสใ่ถ้าจิตของผู้ที่มีอัปปนาสมาธิออกมานี้จะไม่คิดแบบนั้นจะมองความจริงจะพิจารณาเลยว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีอะไรที่จะมายับยัง้งมอนได้ อันนี้แหะคือความแตกต่างระหว่างของผู้ที่มีอัปปนาสมาธิกับไม่มีอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิหลังจากที่ออกมามันก็เหมือนน้าเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นถ้าออกมาไว้นานๆเข้าเดี๋ยวมันก็หายเย็นได้กําลังของสมาธิก็หมดได้เค่ออกมาพิจารณาได้สักพักหนึ่งจิตเริ่มร้อนขึ้นมาก็ได้เริ่มออกไปในทางกิเลสตัณหาก็ได้ถ้าถึงตอนนั้นก็ต้องอับเข้าไปในอัปปนาใหม่ การบําเพ็ญสมถะกับวิปัสสนาท่านเึงบอกว่าต้องไปเหมือนเท้าซ้ายกับเท้าขวาปัดกันเดินเวลาเราเดินเท้าซ้ายเราก็ไม่ได้ก้าวเราก็ไม่ได้ใช้เท้าขวาสลับกันก้าวไปทีละ ก, ก้าวก้าก้าวที่ไม่ได้ก้าวก็เป็นผู้สนับสนุนดันให้ก้าวที่ก้าวก้าวไปได้ฉัในใดสมถะกับวิปัสสนาก็จะเป็นในลักษณะนี้ ต้องสลับกันทํางานพักผ่อนพอนแล้วออกมาก็ทํางานวิปั ส, สนาพิจารณาไตรักอนิจจ์ทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงหรือเริ่มไปคิดทางอื่นแล้วกิเลสเริ่มมีกําลังแล้วตอนนั้นก็ต้องกลับเข้าไปตัดกําลังกิเลสไปพักจิตให้มีกําลังขึ้นมาใหม่ส่วนเรื่องของ อุปจาระสมาธินี้ทางปฏิบัติท่านก็บอกว่าเป็นสมาธิที่รวมแต่ไม่อยู่ในแต่ไม่นิ่งโยมแล้วออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆของในโลกทิพนี่แหละพูดง่ายๆไปเห็นเทวดาไปเห็นสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายกายทิพต่างๆผีเปรตสุลกายทะลึกชาติได้มีตาทิพหูทิพอะไรเหล่านี้ เป็นเรื่องของอุปจารสมาธิถ้าผู้ใดได้เข้าสู่อุปจารสมาธินี้จะเสียเวลาเพราะอุปจารสมาธิไม่ได้เป็นที่พักผ่อนของใจถ้าไปอยู่ในอุอปจารสมาธิพอออกจากอุปจารสมาธิมาก็เป็นเหมือนกับคนไม่ได้พักผอนหลับนอนไม่ได้รับประทานอาหารก็จะไม่ออกไปพิจารณาทางปัญญา ผู้ที่มีอภิน ญ, ญานี้มักจะเสียตัวกันหลงคิดว่าตอนเองมีคุณวิเศษแล้วก็เลยไม่ไปพิ จ, พจารณาทางปัญญาเพราะไม่มีกำลังที่จะไปทางนั้นเช่นพระเทวทัตนี้ก็ได้อภิน ญ, ญาก็คิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษก็ถูกกิเลสหลอกให้เกิดความอยากเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวว่าตนเองกำลังถูก ตัหาความอยากผลักดั น, นก็ไปขอพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ปกครองสูงแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าจิตของเทวทัตนี้มีแต่ตันหากิเลสจะมาปกครองสงฆ์ได้อย่างไรพระพเจ้าก็ปฏิเสธไปนี่คือเรื่องของอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิก็เป็นที่เกิดของอภิญยาต่างๆเนที่ ระลึกชาติได้เป็นที่ได้สัมผัสกับกายทิพย์เสียงทิพย์กินทิพย์รูปทิพย์ได้แต่ไม่มีกําลังที่จะตัดกําลังของกิเลสไม่มีพลังที่จะทําให้ใจสามารถก้าวไปสู่การเจริญวิปัสสนาภาวนาได้ครูบาอาจารย์ท่านจึงคอยคอยอะไรคอยเตือนคอยห้ามลูกศิษย์ลูกหาที่ได้อภิญญากันว่าอย่าลงทาง อันนี้ไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลอย่างหลวงตาท่านก็มีคุณแม่แก้วเนี่ยคุณแม่แก้วก็มักจะมีอภิน ญ, ญาชอบไปเข้าไปในอุปจารสมาธิไปพบกับพวกวดวงเวีย ญ, ญาณต่างๆมันก็เหมือนกับนั่งดูทีวีดีๆนี่เองหรือคุยกันสนท น, นาการผ่านโซเชียลต่างๆนี้เหมือนก็รับรู้เรื่องราวของคนนั้นคนนี้ ดวงวิญญาณนี้ตายไปก็มาเล่าให้ฟังว่าก่อนจะตายได้เป็นหมูป่าแล้วถูกพรานเข้ามายิงตายอันนี้ก็มันไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่เพราะมันจะไม่มีให้จิตไม่มีกําลังไม่มีอุเบกขาเหมือนกับเวลาเข้าไปในอัปปนาเวลาเข้าไปในอัปปนานี้มันจะตัดความโลภความโกรธความหลงไว้ชั่วคราวทำให้ใจเป็นกลางสักแต่ว่ารู้ แต่อุปจาระนี้ไม่ได้ตัดเห็นอะไรรู้อะไรก็เกิดความโลภความอยากใน ก, กับสิ่งที่เห็นได้แล้วพอออกมาก็ยังมีความโลภความอยากเหมือนเดิมอยู่เนี่ยผู้ใดที่มีอุปจารสมาธิต้องระมัดระวังว่าไม่ใช่ทางนะไปผิดทางนะคือแทนที่จะเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาแล้วถ้าอยากจะไปนิพพานต้องเข้าไปสู่อุ อัปปนาถ้าเข้าไปแล้วออกมาก็ต้องบังคับให้มันกลับเข้าไปใหม่ใช้สติกำหนดดึงใจให้กลับเข้าไปในอัปปนาให้ได้อย่าปล่อยให้ไปตามความรู้ต่างๆที่มาให้รู้แล้วจะเสียเวลาเพราะออกจากสมาธิแบบนั้นแล้วจะไม่ออกทางปัญญาไม่มีทางที่จะออกได้ถึงแม่อยากจะออกก็ออกไม่ได้เพราะกิเลสจะคอยต้านเอาไว้แต่ถ้าเข้าไปในอัปปนานี้ ออกมาแล้วจะไปได้ถ้าอยากจะไปถ้าไม่อยากไปก็ไม่ไปเหมือนกันคือเขาเรียกว่าติดสมาธิคือได้อัปัาออกมามีความสุขความอิ่มใจก็พอละเคีกว่าถึงนิพพานแล้วก็ได้ก็ไม่สนใจที่จะพิจารณาพอจิต้อนขึ้นมาตันหาออกมาเพ่นพ่านก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่เป็นวิธีแก่ก็จะเรียกว่าเรื่องเรี่งนๆแลติดสมาธิก็ติดแบบนี้ ใช้สมาธิเป็นวิธีแก้ตันหาความอยากต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีของวิปัสสนาวิธีของวิปัสสนาก็คือต้องใช้ไตรับใช้ปัญญามากำจัดความอยากต่างๆดังนั้นผู้ที่ได้อ ป, ปนาแล้วต้องบังคับตัวเองให้พิจารณาเวลาออกจากสมาธิมาใหม่ๆเป็นเวลาที่เหมาะต่อการจเจริญวิปัสสนาพิจารณาทำในแง่ต่างๆ อนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนาัตตาก็ดีอสุภะก็ดีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ดีอาการสาสิบสองก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นแต่มันไม่เกิดขึ้นมาเองบางท่านก็คิดว่าพอมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นมาเองมันไม่เกิดนอกจากสิ่งที่เราเคยได้พิจารณามาก่อนแล้วแล้วพอจิตสงบ มันก็จะโผล่ ข, ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นได้แต่สิ่งใดที่เรายังไม่เคยพิจารณาไม่เคยจเจริญมันจะไม่มาเราต้องกำหนดมันขึ้นมานี่คือเรื่องของอั ป, ปนาถึงแม้จะมีอั ป, ปนาแล้วถ้าไม่กระทุ้งมันให้ออกทางปัญญามันก็จะไม่ออกมันจะขี้เกียจมันมีความสุขสบายแล้วก็ไม่รู้จะไปคิดอะไรแล้วพอไปเจอปัญหาขึ้นมาก็จะแก้ไม่ทันท่วงที เพราะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมซอ้อมไว้ก่อนกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเวลาเกิดการสูญเสียเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็จะเสียเวลาไปหลายหลายวันหรือหลา ย, ลายชั่วโมงกว่าจะตั้งหลักได้แต่ถ้าเราซอร้อมไว้ก่อนทาการบ้านไว้ก่อนว่าไอ้การอย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นนะแล้วเราจะต้องรับกับมันอย่างไรพอมันเกิดขึ้นปับ๊บเราก็รับกับเหตุการณ์นั้นได้เลยไม่เสียเวลา การพิจารณาปัญญานี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการฆ่ากิเลสทันทีทันใดเพราะขณะที่พิจารณาถ้ายังไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีอะไรจะฆ่าทีเราพิจารณาก็เผื่อไว้ก่อนเวลามันโผล่ขึ้นมาจะได้รู้จักวิธีฆ่ามันแต่ถ้ามันโผล่ขึ้นมามันก็เหมือนกับถูกบงังคับให้ต้องสู้กับมันเลยบางทีออกจากปนานามาก็ได้ข่าวร้ายเลยว่าคนนั้นตายคนนี้ตายทีนี้ก็ต้องเอาแล้วสิเหมืน ปัญหามันเกิดแล้วทุกมันเกิดแล้วตอนนี้นก็ต้องใช้ปัญญาทันทีแต่ถ้าออกมาแล้วยังไม่มีเหตุการณ์อะไรทําให้เกิดความทุกข์ใจความวุ่นวายใจตอนนั้นก็ใช้เวลานั้นทําการบ้านไปก่อนเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ไว้ก่อนพิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปเช่นร่างกายของเราสักวันหนึ่งต้องไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นมะเร็งครับจะทํำยังไงดีอันนั้น ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนพอถึงเวลาเราก็จะรู้ว่าจะทําทอย่างไรนี่คือเรื่องของปัญญามีสองลักษณะลักษณะของการทําการบ้านเตรียมตัวไว้ก่อนกับลักษณะกับการทําข้อสอบเวลามีถูกไฟบังคับเหมือนนักบวยถึงเวลาไม่อยากจะชกก็ต้องโชคละเพราะเขาบังคับให้ชกอันนี้ก็เหมือนกันไม่อยากจะสู้กับกิเลสมันก็มาหาเราถ้าไม่สู้มันก็เหยียบย่ำเรา นั้นขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกเกี่ยวกับเรื่องสมาธิทั้งสองสองอย่างนี้ว่าเป็นอย่างไรคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามโดยขอเล่าสภาวธรรมที่เขาได้ปฏิบัติหลังจากที่พระอาจารย์สอนให้พิจารณาตั้งแต่น้ำสองหยดมารวมกันจนกระทั่งตายนั้นได้นำมาพิจารณาโดยขณะเดินจงกรม ใช้บริกรรมพุทโธก่อนพอใจไม่ใส่มากแล้วก็ใช้เป็นคำบริกรรมเช่นเกิดมาเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กโตเป็นผู้ใหญ่เป็นคนตายโดยกาหนดเห็นภาพไปด้วยเมื่อกลับมานั่งสมาธิก็ใช้เป็นคำบริกรรมโดยไม่กำหนดภาพตั้งแต่น้าสองหยดเรื่อยไปจนถึงตายกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นขณะนั่งสมาธิอยู่ดีด ก็รู้สึกเหมือนตกบันไดวูบวูบสามขั้นแล้วเงียบไปสักพักก็คิดอะไรพอได้บ้างก็ภาวนาเหมือนเดิมสักพักก็เป็นเหมือนตกบันไดอีกแต่เป็นขั้นเดียวแล้วนิ่งอยู่ก็เลยเอารูปเกิดเรื่อยไปจนตายมาดูรูปเปลี่ยนไปเร็วมากจากเกิดไปตายไม่รู้กี่รอบเดือค้างอยู่ในใจเพียงแก่เจ็บ ตายสามคำและสามรูปเท่านั้นและมองเห็นมีกองกระดูกล่างๆมีกระดูกผุๆบ้างแต่บนๆยังเป็นกระดูกดีๆไม่ผุจากที่เล่ามาอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าข้อแรกหนูภาวนาพุทโธก่อนพอใจสบายๆแล้วหนูภาวนาน้ำสองหยดจนถึงตายไปตลอดถูกต้องไหมคะหรือต้องทำอย่างไรคะ ก็ถูกต้องในระดับของการทำการบ้านขั้นต่อไปก็ต้องลองไปทำข้อสอบดูไปหาข้อสอบทำดูว่าเวลาที่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่เราจะสอบผ่านหรือไม่เพราะเรายังไม่ได้เจอของจริงเป็นเพียงแต่การวาดภาพของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็อาจจะต้องไปทดสอบดู เรื่องของความเจ็บก็ต้องลองนั่งให้มันเจ็บแล้วดูซิว่าจะปล่อยให้มันเจ็บไปโดยที่เราไม่ต้องไปจัดการอะไรกับมันได้หรือไม่เหมือนกับเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่สามารถไปจัดการให้มันหายได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องอยู่กับมันให้ได้คือไม่ทุกข์กับมันเราไม่ทุกข์กับมันก็ต้องไม่มีความอยากให้มันหายจะต้องเห็นอริยสัจการทา ง, งานของอริยสัจ เห็นว่าความทุกข์ใจที่เกิดจากขณะที่ร่างกายเจ็บปวดนี้เกิดจากความอยากของใจเองที่ไปอยากให้ความเจ็บมันหายแต่ความเจ็บมันเป็นอนาตาไม่ใช่หรือเราไปสั่งให้มันหายได้หรือเปล่าถ้าเราสั่งไม่ได้เราอยากไปมันเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าเรายอมหยุดความอยากปล่อยให้มันเจ็บไปจะหายก็หายไม่หายก็ปล่อยมันไปให้มันเป็นชองมันไป เราก็จะไม่ทุกข์ใจอันที่เราก็จะรู้ว่าเราผ่านผ่านเรื่องของความเจ็บแบบเดียวกับความตายเราก็อาจจะต้องไปหาสถานที่ที่มันหวาดเสียวน่ากลัวท้าทายต่อความเป็นความตายดูคือที่ไหนเรากลัวนั่นแหละก็ที่นั่นแหละเป็นที่ทําข้อสอบของเรื่องของความตายถ้ามันไม่กลัวมันเคยกลัวแล้วมันไม่กลัวมันก็รู้ว่า อ, อ๋อมันผ่านแล้วข้อสองค่ะ หนูคิดถึงกองกระดูกกองนั้นกองกระดูกในภาวนาค่ะอยู่ลึกๆเหมือนคนคิดถึงกันไม่บ่อยแต่ไม่ลืมหนูควรทำอย่างไรคะก็คิดอยู่เรื่อยๆก็ดีเป็นการเตือนสติว่าในที่สุดร่างกายก็เคยจะต้องกลายเป็นอย่างนั้นเรารับได้หรือไม่เมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นข้อ3ค่ะกระดูกกองนั้นกับกระดูกที่ใช้เป็นต้นแบบพิจารณา หนูคิดถึงมันทั้งสองไม่เหมือนกันต้องทำอย่างไรคะก็ให้รู้ว่าไม่เหมือนกันครัให้รู้ว่านี่เป็นเพียงแต่ภาพที่เรากำหนดขึ้นมายังไม่ได้เป็นภาพจริงภาพจริงก็คือเราต้องไปพบกับสาภาพที่มันทาพความเป็นความตายแล้วจะทำให้ร่างกายที่เรามีอยู่นี้กลายเป็นกระดูกอย่างที่เราเห็นจริงๆนั้นเราจะทาให้ใจเราสงบไม่ทุกข์กับมันได้หรือไม่ ถ้าไม่มีเหตุการณ์มันเราจะไม่รู้อาจจะมีเหตุการณ์ที่มันมาทาให้เราคิดว่าเราจะต้องตายเช่นมีโจรขึ้นบ้านแล้วมันเอาปืนมาจ่อศรีรษะเราตอนนั้นน่ะก็จะรู้ว่าเราสอบผ่านหรือไม่ผ่านเรากลัวหรือไม่กลัวเราทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าทุกข์หรือกลัวก็แสดงว่ายังไม่เห็นความตายยังไม่ยอมรับความตาย ถ้าไม่ทุกข์ก็แสดงว่ายอมรับความตายแน่ใจว่าต้องตายแตก็ไม่หวั่นไหวยอมให้มันตายอย่างนี้ถึงจะรู้ว่าสอบผ่านหรือไม่สอบผ่านผู้ปฏิบัติจึงมักต้องไปหาสถานที่ที่มันท้าทายต่อความเป็นความตายพระปฏิบัติส่วนใหญ่ท่านจะไปอยู่ในปานใ่าในเขาแล้วบางทียามค่ําคืนท่านก็จะเดินเที่ยวในปานใ่าในเขาไป ดูว่าใจของท่านเป็นอย่างไรในขณะที่ออกไปเผชิญกับสิงสาราสัตว์ต่างๆคำถามต่อมาจากคุณรัฐภูมินึกชอบค่ะพระอาจารย์ครับน้องผมเกเรชอบด่าแม่ไม่กลัวขโมยเงินแม่โมโหทีไรก็ปาข้าวของพังแต่แม่ไม่ยอมบอกพ่อพอพ่อมาแม่กับน้องทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น วกเพื่อนก็มีแต่พวกติดยาตอนนี้เขายังมีความสุขอยู่ทำไมเวรกรรมไม่ตามตัวสักทีผมสงสารแม่ครับมันยังไม่ถึงเวลาเมันเหมือนกับปลูกต้นไม้เมยังไม่ถึงเวลาให้มันออกดอกออกผลมันก็ยังไม่ออกแต่เราก็รู้ว่าผลในที่สุดมันก็ต้องออกมาช้าหรือเร็วเท่านั้นเองมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปกังวลกับเรื่องผลของเขา สิ่งที่เราทำได้หรือควรจะทำถ้าทำได้ก็คือสอนเขาอย่าให้ไปทำแต่ถ้าก็ไม่ยอมรับก็ต้องปล่อยวางให้เขารับผลของเขาไปต่อไปในอนาคตคำถามต่อมาจากคุณซาร่าสตอรีช่วงนี้มีคนไปเชงเม้งกันมากหนูสงสัยว่าการทำแบบเอาอาหาร ข้าวหวานไปให้บรรพบุรุษ ท, ที่ล่วงรับไปแล้วจะได้รับหรือเปล่าคะบรรพบุรุษไม่ได้รับหรอกคนที่ได้รับก็คือคนกินนั่นแหละใครกินคนนั้นก็ได้รับถ้าอยากใช้บรรพบุรุษผู้ล่วงรับไปแล้วได้รับถ้าเขาอยู่ในสถานภาพที่มารอรับอยู่เราก็ต้องเอาอาหารเหล่านี้ไปทําบุญแทนเอาไปถวายพระเอาไปให้ทานแล้วเราก็แปลง บุญที่เราได้จากการทําทานส่งไปให้กับเขาอุทิศไปให้กับเขาได้แต่เขาต้องรอรับอยู่ด้วยเขาต้องอยู่ในสถานภาพที่หิวโหยขาดขาดแคลนขาดบุญขาดกุศลแต่ถ้าเขาไม่ได้มารอรับเขาก็ไม่ไดเขาก็ไม่ได้รับอยู่ดีแต่ที่เราทำไปนี้ก็เผื่อไว้เท่านั้นเองเผื่อว่าเขามารอรับปกติแล้วตามเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนั้นมันมีในสมัยพระพุทธการ มีมีพระเจ้าแผ่นดินมีเหตุการณ์คืนหนึ่งในพระราชาวังมีอะไรมาส่งเสียงดังมากพระราชพระราชาก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นอะไรพุทธเจ้าก็บอกเป็นลูกน้องเก่าในอดีตชาติเคยเป็นลูกน้องกันมาแล้วเคยรับใช้เคยสั่งให้มันเอาเงินไปทําบุญแล้วมันก็ยักยอกไม่ทําเต็มร้อย ทำบางส่วนบางส่วนก็เก็บเอาไว้พอตายไปเลยก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นเปรตแล้วมันก็หิวมันก็หิวโหวยเพราะมันหิวเปรต น, นี่จะต้องมีบุญถึงแย่อิ่มะก็เลยมาส่งเสียงในพระราชวังพระเาจ้าก็บอกว่าให้ทําบุญอุทิศให้เขาไปออันนี้มันถึงเขาจะได้รับเพราะเขามารอเขามาขออย่างเรานี่ไม่มีนิมิตไม่มีสัญญาณอะไร เราทำกันไปก็ทําไปตามความเชื่อเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ตายไปแล้วก็มาขอมารออยู่หรือเปล่าแต่การทํามันก็ไม่เสียหายอะไรถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับแต่เราจะได้รับแล้วเราจะได้ป้องกันไม่ให้เราไปเป็นเปรตในอนาคตเพราะว่าถ้าเราทําบุญอยู่เรื่อยๆเราก็จะมีบุญติดตัวไปแล้วพอเราปะตายไปเราก็ไม่ต้องไปเป็นเปรตไปเป็นเทวดาแทน ต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเวลาเพื่อนมาเล่าคำสอนอุบายการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ท่านอื่นรู้สึกไม่พอใจอยู่ลึกๆเพราะส่วนตัวคิดว่าถ้าลงใจให้กับครูบาอาจารย์ท่านไหนแล้วก็ควรจะฟังและปฏิบัติตามแนวทางของครูบาอาจารย์ท่านนั้นเพียงองค์เดียวเพื่อให้ได้ผลตามที่ท่านสอนเหมือนกับที่หลวงตามีหลวงปู่ม่าน และพระอาจารย์เมื่อโบวชแล้วก็มีเพียงหลวงตาบัวเพียงองค์เดียวเช่นกันจริงๆก็เป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมันแต่อยากกําจัดความรู้สึกไม่พอใจนี้ควรทําและ ว, วางใจอย่างไรคะคก็ต้องฝึกทําสมาธิอยู่เรื่อยๆใจจะได้เป็นอุปเบกขาได้ถ้าไม่มีสมาธิในี้ใจมันก็ยังถูกอคติครอบงำอยู่จะมีรักมีชางอยู่ จะทำได้อย่างมากก็ใช้สติช่วยเวลาเกิดความรักความชังก็ให้ใช้พุทโธพุทโธดึงใจกลับมาอย่าไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านเขาใครเขาจะเชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเราฝึกทำสมาธิจน จ, นจิตเป็นอัปปนาแน้วมันจะมีอุเบกขาแล้วมันก็จะปล่อยวางได้ดังนั้นถ้าอยากจะให้ปล่อยวางได้อย่างเต็มที่ก็ต้อง ฝึกทำใจให้สงบให้เป็นอัปปนาให้ได้แล้วเวลาออกจากอัปปนามาก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเรื่องของกา ร, รเป็นเรื่องของสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเขาทํากรรมบรรดาไว้ก็เป็นเขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาใจก็จะปล่อยวางได้ คำถามที่สองคะ่ะอ้างถึงประโยคที่ว่าดูกรอาน o ์เราจากักไม่ปฏิบัติต่อเธออย่างทนุถนอมประดุดช่างปั้นหม้อดินที่ยังเปียกยังดิบอยู่แต่เราจักกระนาบแล้วกระนาบอีกชี้โทษแล้วชี้โทษอีกผู้มีมรรคผลเป็นแก่นสารเท่านั้นจึงจักทนอยู่ได้นี่คือต้นแบบการสั่งสอนอบรมจิตของครูบาอาจารย์ใช่ไหมคะซึ่งก็รวมถึงการดุดา และลูกศิษย์ที่จะได้ประโยชน์จากคําสอนต้องควรเปิดใจน้อมรับมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงเหมือนไงนะไถ่แก้วรองรับน้าําถูกต้องหรือไม่คะถูกต้องแล้วครูบาอาจารย์ต้องหนักแน่นต้องเต็มที่เพราะไม่เชนั้นลูกศิษย์ก็จะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ถ้าสอนแบบเก่งใจกันก็บางทีอาจจะไม่เข้าไปถึงเออ่ ถึงตัวปัญหาได้เพราะพูดแล้วกลัวจะเสียใจกลัวจะไปคิดไม่ดีไม่ร้ายกับครูบาอาจารย์ก็ได้แต่ครูบาอาจารย์ที่มีความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ก็จะไม่กังวลกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะมีความปรารถนาให้ลูกศิษย์นั้นได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดอย่างที่หลวงตาชอบพูดว่าเราไม่รูปหน้าปะจะหมูใครนะ คำถามต่อมาค่ะจากท่านเดิมในบางครั้งฟังครูบาอาจารย์ตอบปัญหาคนอื่นแต่รู้สึกว่าคำตอบหรือบางประโยคที่บางครั้งเป็นอุบายพิธีการปฏิบัติหรือแม้กระทั่งคำดุดา เป็นการตอบข้อสงสัยหรือคำสอนที่พระอาจารย์กำลังสอนเราเองผ่านการตอบคำถามของคนอื่นอันนี้คิดถูกไหมคะเราได้ยินได้ฟังอะไรเราควรจะโอปัญญิโกน้ำเข้ามาหาเราเสมอเพราะบางครั้งบางเวลานี้ครูบาอาจารย์ท่านจะใช้เรื่องของคนอื่นมาสอนเราเพราะท่านเห็นว่าถ้าสอนเราโดยตรงนี่เราจะรับไม่ได้ อันก็เลยจะมักเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดซึ่งมันตรงกับเรื่องของเราเพื่อให้เราได้เอามาพิจารณาดูถ้าพูดโดยตรงอาจจะเสียใจเพราะคิดว่าทําไมต้องมาดุด่าว่ากล่าวกันแต่ถ้าว่าด่าคนอื่นนี่ไม่เป็นไรคนจะจลาถ้าฟังแล้วก็จะรู้ว่ากูโดนด่าดี่ยว่าดากูนี่ยว่า แต่คนโง่ก็แล้วไปอย่างน้อยเขาก็จะได้ไม่เสียใจเขารับไม่ได้ก็อย่างน้อยก็จะได้ไม่ทําให้เขาเสียใจไปด้วยถ้าไปพูดบอกเขาโดยตรงว่าอย่าทาอย่างนี้นะทางนี้ไม่ดีนะเดี๋ยวอาจจะเสียใจได้อาจจะหนีไปเลยก็ได้ไม่ก็เลยต้องถนอมน้ําใจกันบางอย่างต้องคือต้องดูผู้รับว่ารับธรรมะได้มากน้อยเพียงไรถ้ารับโดยตรงไม่ได้ก็เอาเอาแบบอา่า เหมือนกับเขาอะไรแทงิเลรียดใช่ไหมแทงชิง <laughs> ทางโดยตรงไม่ได้ก็ต้องแทงชิงไว้ก่อน <laughs> อันนี้ก็เหมือนกันบางทีจะด่าคนนี้แต่ด่าไม่ได้เดี๋ยวกลัวมันจะตื่นก็เลยต้องดา่าคนแทนเวลาไปวัดปา่าบ้านตานจะสังเกตหนูงตามักจะชอบด่าผ้าเก่าเหมือนกับเชอดไก่ให้ลิงเชอดไก่ให้ลิงกลัว คือพระใหม่ถ้าไปดา่าปั๊บนี่มันจะมันจะมันจะตายไปเลยมันจะอยู่ไม่ได้ทนุนมันยังไม่มีภูมิกุ้มกันแต่พระเก่านี่อยู่มานานแล้วแล้วว่าคาําด่าของท่านนี่เป็นคําชมเป็นคําสอนเป็นความเมตตาจะเฉยๆปล่อยให้ท่านด่าไปแต่ถ้าคนใหม่มานี่เดี๋ยวโดนดา่าอย่นี้เดี๋ยวอยู่ไม่ได้จะเครียดจัดนก็เลยมักจะเห็นท่านจะว่าพระเก่าเลยส่วนพระใหม่ๆนี่ท่านยังไม่ว่า เหมือนกับเด็กเหมือนกับเป็นลูกเพิ่งเกิดมาใหม่ยังเป็นเด็กอยู่ยังต้องว่าพี่ไปก่อน <laughs> น้องอย่าเพิ่งไปว่ามันเดี๋ยวนอ <laughs> ้องอยู่ไปนานๆก็จะ เ, เ, เ, เข้าใจอ๋อท่านดา่าท่านดา่าท่านว่าท่านสอนเป็นคุณเป็นประโยชน์คํ <laughs> าถามต่อไปจากคุณทอมตี้ค่ะถ้าคนเรานี้ยังต้องทํามาหาเลี้ยงชีพทุกวันไม่ได้ออกบวชทั้งชายและหญิงจะสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้ไหมคะ คือการบรรลุธรรมขั้นไหนก็ตามมันไม่ได้อยู่ที่ เ, เพศพิไวอยู่ที่สถานภาพว่าเป็นนักบวชหรือเป็นคร า, าวาสมันอยู่ที่มักมีหรือเปล่ามีมักห ร, รือเปล่ามั ก, รรมกรรที่เป็นองค์แปดอยู่ที่ทานศีลภาวนาเนี่ยถ้ามีมักรรมันก็บรรลุธรรมขั้นต่างๆได้แต่ทีนี้ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะต้อง สร้างขึ้นมาในการจะสร้างมรรคขึ้นมาเนี้วิธีที่สะดวกที่สุดก็คือการเป็นนักบวชเพราะถ้ายังไม่ได้เป็นนักบวชยังมีภารกิจการงานอย่างอื่นก็จะไม่มีเวลาพอที่จะมาสร้างมรรคนั่นเองแต่คนที่เคยสร้างมรรคมาในอดีตแล้วนี้พอได้มาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยก็บรรุได้เลยอย่างบางคนก็บรรลุในขณะที่เป็นขาวรานได้ เพียงแต่ขอให้พระเจ้าทรงแสดงธรรมสั้นๆให้ฟังเท่านั้นก็บรรลุได้เลยอย่างที่ชายคนหนึ่งขอให้พระเจ้าทรงแสดงธรรมในขณะที่กำลังทรงบินตบาทอรุทธเจ้าก็ตัดว่าไม่ใช่เวลาแต่เขารู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นมากก็ขอขอให้แสดงสรุปให้ฟังก็แล้วกัน พ, พุทธเจ้าก็สรุปว่าให้เธอสักแต่ว่ารู้ไม่ว่าเธอจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ อันนั้นเขาก็บรรลุธรรมได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาได้สะสมทำมามากในอดีตนั่นเองแต่ยังไม่ได้ครบร้อยพอพระเจ้ามาเสริมส่วนที่ขาดไปเขาก็สามารถบรรลุได้เลยดังนั้นมันควาจะบรรลุธรรมขั้นไหนมันอยู่ที่มีมรรคหรือไม่ท่า น, นั้นเองแต่ถ้าไม่มีแล้วต้องสร้างมรรคก็การออกบวช น, นี้ดีที่สุด พราจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนเวลาของการสร้างมรคนั่นเองคำถามต่อไปจากคุณสระออค่ะการที่เรานั่งภาวนาพุทโธพุทโธไปแล้วพุทโธหายไปไม่สามารถบริกรรมพุทโธต่อไปได้เราควรทําอย่างไรดีคะถ้ามันหายเพราะว่ามันสงบก็ไม่ต้องทําอะไรถ้ามันสงบนิ่งสักจะว่ารู้ก็ถือว่าเราได้สมาธิแล้วแต่ถ้ามันหายไปเพราะว่ามันขี้เกียจ หรือว่ามันหลับไปมันก็ต้องปลุกมันขึ้นมาใหม่ <laughs> คําถามที่สองค่ะตอนนี้จิตใจหนูวุ่นวายพยายามใช้ธรรมะในการดําเนินชีวิตแต่พอมีปัญหาขึ้นมาจริงๆมันก็ควบคุมสติไม่ได้อย่างเช่นตอนนี้หนูมีปัญหาชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเงินทองของคนในครอบครัวหนูควรทําอย่างไรดีคะก็ต้องใช้ปัญญา ใช้สติใช้ปัญญาถ้าไม่มีก็ต้องสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาเท่านั้นถึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ถ้าไม่มีสติก็ต้องฝึกสติสร้างสติขึ้นมาด้วยการเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าปัญญาก็หลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเงินทองว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาว่าไม่มีเงินทองก็อยู่ได้ถ้าเรามี สมาธิมีความสงบเราก็ไม่ต้องพึ่งเงินทองก็ได้เมื่อเราไม่ต้องพึ่งเงินทองเราก็จะไม่มีปัญหากับเรื่องเงินทองต้องปฏิบัติเท่านั้นถึงจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้อย่างอย่างท้าวรอย่างแท้จริงคําถา ม, ต, มาต่อมาจากคุณรณชัยชัยพัดนฌานกับสมาธิต่างกันอย่างไรครับถ้าต่างกาันขอโทษค่ะ ถ้าต่างกันเวลาเรานั่งสมาธิจะไปสู่ฌานไหมและจะระลึกรู้ได้อย่างไรว่าเราอยู่ในสมาธิหรือฌานฌานกับสมาธิก็เป็นคำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่อาจจะแตกต่างกันคือสมาธินี้มีหลายขั้นขั้นต่างๆเรียกว่าฌานสมาธิก็คือความสงบของใจความสงบของใจนี้ก็มีหลายระดับด้วยกัน รูปฌานกับรูปฌานนี่ก็เป็นสมาธิเหมือนกันและในในรูปประฌานก็มีแบ่งชั้นอกีกรูปประฌานที่หนึ่งรูปฌานที่สองที่สามเพราะความสงบความละเอียดของของควสมาธินี้มันมีไม่เท่ากันนั่นเองและก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันพูดถึงเรื่องเดียวกันคำถามต่อมาจากคุณชัดชัยรัต น, ปน์ปานเศษผมมีปัญหาเรื่องเดียวเวลาปฏิบัติครับ คือความง่วงง่วงจนทนไม่ไหวจนต้องเลิกกลางคาันขอความการุณาพระอาจารย์ชี้แนะครับปกติผู้ที่จะภาวนานี้ต้องถือศีลแปดเป็นอย่างน้อยคือต้องไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะช่วยบรรเทาเรื่องความง่วงเหงาหงานอนได้เพราะว่าเวลารับประทานอาหารตามปกติมันจะทาให้ง่วงเวลาอิ่มแล้วนี่มันอยากจะนอน เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะภาวนาได้ผลก็ต้องรักษาศีลแปดสินแปดนี้จะเป็นเหมือนกับปัจจัยเสริมการภาวนาเหมือนกับผู้ที่ใช้น้ำมันรถถ้าอยากจะให้รถมีกำลังแรงวิ่งเร็วแทนที่จะใช้เก้าสิบเอ็ดก็ต้องใช้เก้าสิบห้าสินห้าก็เป็นเหมือนเหมือนเก้าสิบเอ็ดสินแปดก็เหมือนเก้าสิบห้า คำถามต่อมาจากคุณนบครับการรักษาศีลอย่างไรให้เป็นมรคไม่ให้เป็นศีลศีลพัตตาปรามาัดครับการรักษาศีลห้านี่ก็เป็นมรคอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นศีลพัตตาเตยอย่างใดคำถามต่อมาจากท่านเดิมครับอยากทราบเรื่องการสวดพระคาถาต่างๆทีอ่อาจารย์ท่านแนะนำให้สวดเช่นพระคาถามหาจากักรพรรดิ คาถาชินะบัญชรคาถาปัจเจกับพระพุทธเจ้าควรจะสวดอย่างไรให้เป็นประโยชน์ครับแตกต่างจากบทสวดมนต์อย่างไรครับคือการสวดต่างๆนี้มีเป้าหมายอยู่อันเดียวคือการทำใจให้สงบเป็นอุบายของการฝึกสมาธิเพราะปกติถ้าเราไม่สวดใจเราจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันก็จะไม่สงบ แต่ถ้าเราสวดโดยที่ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ดงนั้นคาถาอันไหนก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความแตกต่างกันจะสั้นหรือจะยาวก็ไม่แตกต่างกันจะเอาพุทโธคำเดียวก็เหมือนกันพุทโธก็คาถาเหมือนกันพุทโธธรร ม, มสังโฆก็เหมือนกันจะสวดอิติปิโสก็ได้สวดชินบัญชนก็ได้หล่านี้เป็นเหมือนกับเป็นอุบายถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนอาหาร อาหารนี้จะกินแบบไหนก็ได้กินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันจะกินกว๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวก็ได้จะกินกว๋วยเตี๋ยวผสมข้าวผัดอะไรก็ได้หลายอย่างก็ได้กินแล้วมันก็จะทำให้ท้องอิ่มสวดไปมันก็จะทำให้ใจสงบเหมือนกันคำถามต่อมาจากคุณสุด ข, ขั้วค่ะพระที่ท่านนาสัตว์มาเลี้ยงเป็นกิจจลักษณะอย่างที่เป็นข่าว สมควรเหมาะสมประการใดถ้าไม่สมควรควรทำอย่างไรถึงสมควรคะมันเป็นเรื่องของของแต่ละบุคคลคือการเลี้ยงสัตว์นี้มันไม่เสียหายตรงไหนเพราะมันเป็นความเมตตาแต่ผู้ที่จะเลี้ยงนี้ต้องดูสถานภาพของตนว่าอยู่ในสถานภาพที่ควรจะเลี้ยงหรือไม่ถ้าเป็นพระบวชใหม่เป็นพระที่ยังต้องบำเพ็ญไปเลี้ยงสัตว์มันก็จะเสียเวลา ต้องมาคอยกังวลมาคอยดูยแลสัตว์จะไปปีกวิเวกก็จะห่วงสัตว์ไปไม่ได้แต่สําหรับพระที่ท่านเสใช้กิจแล้วท่านไม่มีภารกิจที่จะต้องบําเพ็ญเกี่ยวกับเรื่องภาวนาแล้วแล้วมีเหตุการณ์มาทําให้ท่านต้องเลี้ยงเช่นญาติโยมมาหมามาให้เลี้ยงตัวถวายอย่างนี้หรื่องเอาเสือมาให้เลี้ยงอย่างนี้ท่านก็เมตตาก็รับเลี้ยงไปเท่านั้นเองแต่ท่านไม่ได้มีอะไรกับมัน นอกจากให้มันมีชีวิตอยู่อย่างสุขอย่างสบายแค็งแกร่งปลอดภัยจากภัยต่างๆพออยู่กับวัดมันก็มีอาหารครบถ้วนบริบูรณ์สถานที่ก็ปลอดภัยบางทีคนถวายโคกระบือให้สมเด็จพระสังฆราชให้ท่านมาเลี้ยงท่านก็ต้องรับมาเลี้ยงจา ไ, ไหมญาติโยมอยากจะถ่ายถ่ายชีวิตโค อ, อยากจะได้บุญก็เลยมาถวายสมเด็จสังฆราช คนสังฆราก็ต้องเป็นคนเลี้ยงอู๋ไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาถ้าท่านมีท่านมีกําลังที่ถ้าท่านจะทําได้โดยที่ไม่มารบกวนภารกิจสําคัญของท่านเพราะท่านก็มีลูกศิษย์ลูก้า ย, ยินดีที่จาจะรับภาระต่อไปให้กับท่านหลวงตาเวลาคนถวายหมาหมายท่านท่านหลวงตาก็ไม่ได้มาเลี้ยงเองมันก็มีพระลูกศิษย์ลูกวัดมีญาติโยมมาคอยดูแลคอยเลี้ยงให้ท่านก็รับไว้เพื่อสงเคราะห์หมานั่นแหละ ไม่ได้ทำเพื่อตัวท่านเองเหรอกเข้าใจไหยแต่ถ้าเราทำเพื่อตัวเราคิดว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรแล้วเราจะได้มีหน้ามีตาว่าเป็นคนมีควา ม, มเมตตาหรืออะไรอย่างนี้ถ้าทำด้วยแบบนี้มันก็ไม่ควรทำแล้วมาทําให้ตนเองเสียเวลากับภา ร, รกิจสําคัญของตนเองไปอย่างนี้ก็ไม่ควรทำนั้นมันแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ภาวะเหตุการณ์ต่างๆ